นะนําบทฟาติห์บทฟาติห์เป็นบทมักกียะห์มี 45 องค์การถูกประทานลงมาก่อนการอพยพของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบทนี้ได้กล่าวถึงการเริ่มของพระผู้ทรงเนรมิตซึ่งทรงสร้างจักรวาลมาลาอิกะห์มนุษย์และยินและได้พิสูจน์หลักฐานให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ถึงการฟื้นคืนชีพและการชุมนุมกัน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 ในการแตกต่างแห่งรูปขนาดของภูเขาและก้อนหินและความหลากชนิดระหว่างขาวดําและแดงทั้งหมดนั้นได้แสดงออกมาถึงความยิ่งใหญ่ของพระผู้ทรงเอกะผู้ทรงอํานาจโดยเด็ดขาดบทนี้ได้กล่าวถึงสิ่งที่ประชาชาติของมูฮัมหมัดได้รับช่วงมานั้นก็คือศาลจากฟ้าฟ้าที่มีเกียรติยิ่งด้วยการประทานคัมภีร์อันประเสริฐ ซึ่งเป็นจุดรวมของความประเสริฐอันหลากหลายแห่งบรรดาคัมภีร์ของอัลเลาะห์จากนั้นได้แบ่งแยกประชาชาติออกเป็น 3 จำพวกคือพวกที่บกพร่องกระทำความชั่วพวกที่กระทำความดีและพวกที่รีบเร่งแข่งขันกันทำความดีบทนี้ได้จบลงด้วยการกล่าวประณามและขาดโทษพวกบูชาจะเวตในการที่พวกเขา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 دُعَاءٌ بِرَحْمَةِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ دَائِمًا الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا أُولِي أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَأَرْبَعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ การสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ผู้ทรงสร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินผู้ทรงแต่งตั้งมาลาอิกะฮ์เป็นผู้นำข่าวผู้ที่มีปีก 2 3 และ 4 ทรงเพิ่มในการสร้างตามที่พระองค์ทรงประสงค์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงอานุภาพเหนือทุกสิ่งมายัฟตะฮิลลาฮุลินนาสมัรเราะฮ์ตะนฟะลามุมซิกะละฮา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 และพระองค์เป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงปรีชาญาณยาอัยยูฮันนาซึกุรุนิมะตัลลอฮิอะลัยกุมฮัลมินคอลิกิงกอยรุลลอฮิยัรซุกุกุมมินัสซะมาอิวะลอัรฎ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮิวะฟะอันนาตูฟะกูนโอมนุษเอ๋ย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 ดังนั้นทําไมเหล่าพวกเจ้าจึงถูกหลอกลวงให้หันเหออกไปจากความจริงวะอิยุกัซซิบุกะฟะกดกุซซิบะตรุซุลุมมินกับลิกะวะอิลาลลาฮิตับญะอุลอุมูรแลพวกเขาปฏิเสธเจ้าแน่นอนบรรดารอซูลก่อนหน้าเจ้าก็ได้ถูกปฏิเสธมาก่อนแล้วและการงานทั้งหลายย่อมถูกนํากลับไปหาอัลเลาะห์ยาอัยยูฮัล ناس ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله มาหลอกลวงพวกเจ้าเกี่ยวกับอัลเลาะห์เป็นอันขาด อินนัช-ชัยฏอนะ ละกุมอะดูวนฟัตตะคิดูอะดูวนอินนะมายะดอฮิซบะฮูลิยะกูนูมิน อัศฮาบิส-ซะอีร แท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้าดังนั้นพวกเจ้าจงถือว่ามันเป็นศัตรูแท้จริงมันเรียกร้องพลพรรคของมัน ด้วยพวกมันเป็นสหายแห่งฝ่ายที่ลุกโชติช่วงอัลลซีนะกะฟะรูละฮุมอะซาบุนชะดีดวัลลซีนะอามะนูวะอะมิลุสซอลิฮาติละฮุมมะฆฟิเราะตุวะอัจรุนกะบีรบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นสำหรับพวกเขานั้นจะรับการลงโทษอย่างสาหัสส่วนบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีนั้น سعراب وقعها تدرك عن افيات وรางวัล عن ينجع فمن زين له سوء عمله فراه حسنا فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم ان الله عليم بما يصنعون دانันพุทิ ความชั่วแห่งการงานของเขาได้ถูกทําให้สวยงามแก่เขาแล้วก็เห็นว่าเป็นสิ่งดีกระนั้นหรือ ทำให้จิตใจของเจ้ากลับกลายเป็นระทมทุกข์เนื่องจากพวกเขาแท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงรู้ถึงสิ่งที่พวกเขากระทําวัลลอฮุลลซีอบซะลอัซยาฮะฟะทือรุซะฮาบันฟะซุกนาฮูอิลาบะลดินไมตฟะอฮยัยนาบิฮิลอัซดะบะอดาเมาติฮาคะซาลิกัรนุชู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 إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولائك هو يبوء ف누ใครต้องการอำนาจดังนั้นอำนาจทั้งมวลเป็นของอัลเลาะห์ คำกล่าวที่ดีย่อมจะขึ้นอยู่ไปสู่พระองค์และการงานที่ดีนั้นพระองค์ทรงยกย่องสรรเสริญมัน ਕਾ ແລະບັນດາຜູ້ວາງແຜນຊົ່ວຮ້າຍທັງຫຼາຍນັ້ນພວກເຂົາຈະໄດ້ຮັບການລົງໂທດອັນເຈັບແສບແລະແຜນການຂອງຊົນເຫຼົ່ານັ້ນຍ່ອມພິນາດວະຫຼາຮູຄໍລະຄະກຸມມິນຕຣາບິນທຸມມິນນຸດຸຟະທາທຸມມະຈາອະລະຄຸມອະຊວາຈາວະມາທະຫມີລຸມິນອຸນທາວະລາຕະດາອິລາບິອິລມິ <ıncarazillingen> <tuh> <tuh> وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِن عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ لَأَلْهَ سَوْنْ ਬੰਗਕਰ ਪੋਕ ਚਾਓ ਮਾਜਾਕ ਦਿਨ ਲਾਓ ਕਾ ਮਾਜਾਕ ਚੀਰ ਅਸੂਜੀ ਲਾਓ ਸੋਨ ਹੇ ਪੋਕ ਚਾਓ ਬੇਨ ਕੋ ਸਾਮੀ ਪੰਯਾ ਲੇ ਜੇ ਮੇ ਮੀ ਯਿੰਗ ਡਾਈ ਤੰਕਨ ਲੇ ਨਾੰਗ ਜੇ ਮੇ ਖੋਰ เว้นแต่ด้วยความรอบรู้ของพระองค์และจะไม่มีผู้สูงอายุคนใดถูกยืดอายุออกไปและอายุของพวกเขาก็ไม่มีถูกตัดทอนเว้นแต่อยู่ในบันทึกของพระองค์แท้จริงนั่นเป็นการง่ายดายสําหรับอัลเลาะห์วะมายัสตวิลบะห์รันฮาซาอัซฟราตุนซาอิกุนชะราบุ عَذُفْرَةٌ سَائِقٌ شَرَبهُ وَهَذَا مِنَ الْحِنْءِ جَاجٌ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ และทะเลทั้งสองนั้นไม่เหมือนกันอันนี้จืดสนิดอร่อยน่าดื่มพอใจในเครื่องดื่มของมันและอันนี้เค็มจัดและจากทุกแห่งนั้นพวกเจ้าจะได้กินเนื้ออันอ่อนนุ่มและพวกเจ้าเอาเครื่องประดับออกมาจากทะเลทั้งสองเพื่อใช้มันเป็นอาหารและเจ้าเห็นเรือแล่นฝ่าผิวน้ำไปเพื่อพวกเจ้าจะได้แสวงหาความโปรดปานของพระองค์และเพื่อพวกเจ้า اداي شكرا يورج الليل نار ويعرجها رفي الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لاجل مسمى ذلك الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير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 พวกมันไม่ได้ครอบครองสิ่งใดแม้แต่เกลือบางๆที่หุ้มเมล็ดอินทผลัมเอจะดุอูฮุมลายัสมาอูดุอาอากุมวะลาซะมะอูมัสตัจาบูละกุมวะยะมะลกิยามะตินยัคฟุรูนบิชิรกิกุมวะลายุนบิอุกะมิตลุคะบีร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 ناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد او มนุษย์ทั้งหลายพวกเจ้าเป็นผู้ขัดสนต้องการพึ่งอัลเลาะห์แต่อัลเลาะห์นั้นพระองค์ทรงมั่งมีอย่างล้นเหลือผู้ทรงได้รับการสรรเสริญ اي شيء يذهب بكم وياتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ها พระองค์ทรงประสงค์พระองค์ก็จะทรงให้พวกเจ้าสูญสิ้น وَإِذْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَانٍ إِنَّمَا تُحْدِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ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 แท้จริงเค้าก็ขัดเกลาเพื่อตัวของเค้าเองและยังอัลเลาะห์เท่านั้นที่พวกเจ้าจะต้องกลับไปวะมายัสตาวิลอะอ์มาวัลบะซีรและคนตาบอดกับคนตาดีนั้นย่อมไม่เหมือนกันวะลัดฎุลูมาตวะลัลนูรและความมืดกับแสงสว่างก็ไม่เหมือนกันวะลัดฎิลลวะลัลฮารูร และเงาร่วมกับที่ร้อนของแดดก็ไม่เหมือนกันว่ามายัสตวีนนาฮยาอะลัลอัมวาตอินนัลลอฮยัสมีอูมันยาชาอูวะมาอันตะบิมุสมีอิงมันฟิลกุบูลและคนเป็นกับคนตายนั้นย่อมไม่เหมือนกันแท้จริงอัลเลาะห์ทรงให้ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ได้ยิน และเจ้าไม่สามารถที่จะให้ผู้ที่อยู่ในหลุมฝังศพได้ยินได้อินนะตาอิลลานะซีรเจ้าไม่ใช่อื่นใดนอกจากเป็นผู้ตักเตือนแจ้งข่าวร้ายเท่านั้นอินนาอรสลนากะบิลฮักกิบะชีรันวะนะซีร่าวะอินมินอุมมะตินอิลลาคอลอฟีฮานะซีร แท้จริงเราได้ส่งเจ้ามาด้วยสัจธรรมเป็นผู้แจ้งข่าวดีแล้วก็เป็นผู้แจ้งข่าวร้ายและไม่มีประชาชาติใดในอดีตเว้นแต่จะต้องมีผู้ตักเตือนถูกส่งมาอย่างพวกเขา وَإِنْ يُكَذِّبُكَ فَقَدْ wa كَذَّبَ الَّذِينَ ka مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ และพวกเขาปฏิเสธเจ้าแน่นอนบรรดาผู้ที่มาก่อนพวกเขาก็ได้ปฏิเสธมาก่อนแล้วบรรดาศาสนทูตของพวกเขาได้นําหลักฐานอันชัดแจ้งมาอย่างพวกเขาและด้วยคัมภีร์ต่างๆและคัมภีร์อันแจ่มจรัสอุมมาอคัลตุลละดีนกะฟะรูฟะไคฟะกานะนะกีรหาดลงโทษบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธา لذانن كانปฏิเสธต่อเราจะเป็นอย่างไรต่อพวกเขา ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء ยังไม่ได้พิจารณาดูดอกหรือว่าแท้จริงอัลเลาะห์นั้นทรงให้น้ําฝนหลั่งลงมาจากฟ้าฟ้าแล้วเราอัลเลาะห์ได้ให้พืชผลงอกเงยออกมาจากน้ํานั้นสีสันของมันแตกต่างกันไปและในเถือเขานั้นมีชนิดต่างๆขาวและแดงหลากหลายสีและสีดําสนิท وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُمْ كَذَلِكَ แท้จริงบรรดาผู้ที่มีความรู้จากพวงบ่าวของพระองค์เท่านั้นที่เกรงกลัวอัลเลาะห์แท้จริงอัลเลาะห์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพผู้ทรงอภัยเสมออินนัลละซีนะยัตลูนกิตาบัลลอฮิวะอากามุศศอลาตวะอันฟะกูมิมมาวะอันฟะกูมิมมารซะกนาฮุมซิรรอวะอะลานิยะฮ์ يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّن تَبُورَ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ نِعْمَتَهُم أَجْرُهُمْ وَيَزِيدُهُم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 ان الله بعباده لخبير بصير لكم في الذي اعطينا لك ذلكم هو الحق ان القيام بالشيء الذي جاء قبل منه فالله هو الذي يعرف ويراقب كل شيء ثم ورثنا الكتاب الذين اصفينا من عبادنا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ لا دع ให้คัมภีเป็นมรดกสืบทอดต่อๆมาแก่บรรดาผู้ที่เราคัดเลือกแล้วจากวงเบาของเราโดยที่บางคนในหมู่พวกเขาเป็นผู้ทำแก่ตัวเอง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 วันสวรรค์อันหลากหลายเป็นที่พำนักอันสถาพรพวกเขาจะเข้าไปอยู่ในนั้นในสวนสวรรค์พวกเขาจะได้ประดับด้วยกำไลทองและไข่มุกและเสื้อผ้าของพวกเขานั้นคือผ้าใหม่วะกาลุลฮัมดุลิลลาฮิลละซีอัซฮับอันนัลฮะซันอินนะรับบะนาละกุฟูรชกูร และพวกเขากล่าวว่าการสรรเสริญเป็นสิทธิของอัลเลาะห์ซึ่งพระองค์ทรงขจัดความระทมทุกข์ออกจากเราแท้จริงพระผู้อภิบาลของเราเป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงชื่นชมเสมออัลลอซีอะฮัลลานาดารัลมะกอมะติมินฟะฎลิฮิลายัมัสซูนาฟีฮานะซบุวะลายัมัสซูนาฟีฮารุกู ซึ่งพระองค์ทรงอนุญาตให้พวกเราพำนักอยู่ในสถานที่อันสถาพรด้วยความโปรดปรานของพระองค์ความเหน็ดเหนื่อยจะไม่ประสบแก่เราในนั้นและความเบื่อหน่ายก็จะไม่ประสบแก่เราในนั้น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 ثِيَنَاهُ وَهُمْ يَصْرَخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمًا صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَ أَكُونُ النَّذِيرَ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ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 แท้จริงพระองค์เป็นผู้ทรงรู้ถึงสิ่งที่อยู่ในซวงอกฮัลลซีญาละกุมคอลายฟะฟิลอรฎฟะมันกะฟะรฟะอะลัยฮิกุฟรุวะลายะซีดูลกาฟิรีนกุฟรุฮุมอินดะร็อบบิฮิมอิลลานกตะวะลายะซีดูลกาฟิรีนกุฟรุฮุมอิลลาคอซะร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 کیا میںเพิ่มอันใดให้แก่พวกปฏิเสธศรัทธา นอกจากความหายนะเท่านั้น قل ارئيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله اروني ماذا خلقوا من الارض ام لهم شتكون في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه من بل اي يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا จงกล่าวเถิดมุฮัมมัดพวกเจ้าไม่เห็นดอกหรือบรรดาภาคีจเวตของพวกเจ้าที่พวกเจ้าวิงวอนขออื่นจากอัลเลาะห์จงแสดงให้เห็นสิว่าพวกมันได้สร้างอะไรในแผ่นดินนี้ได้บ้างหรือว่าพวกมันมีส่วนร่วมในชั้นฟ้าทั้งหลายหรือ พวกมันจึงยึดมั่นอยู่บนหลักฐานจากคัมภีร์นั้นเปล่าดอกบรรดาผู้อธรรมนั้นต่างก็ไม่มีสัญญาอะไรต่อกันนอกจากการหลอกลวงเท่านั้นอินนัลลอฮะยุมซิคุสสะมาวาติวัลอฎออันตะซูล่าวะลาอินซะละตาอินอัมซะกะฮูมามินอะหะดมินบะอดี 인네후 카나 할리만 가후라 타진 알라 송윳 반다 찬파 라 판딘 아와이 미하이 론롱 마 라크 만탕2 론롱 마고 마이 미 푸다이 윳만탕2 와이 다이 녹짝 프롱 타징 프롱 난벤푸송 칸띠 푸송 아파이 사머 وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَى لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِن أَحَدِ الْأُمَمِ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا. หากมีผู้ตักเตือนมายังพวกเขาแน่นอนพวกเขาก็จะเป็นประชาชาติหนึ่งที่อยู่ในแนวทางที่ถูกต้องยิ่งกว่าประชาชาติอื่นๆครั้นเมื่อได้มีผู้ตักเตือนมายังพวกเขามันไม่ได้เพิ่มสิ่งใดให้แก่พวกเขานอกจากการตะเลิกหนี